ดีๆพร้อมหนังสือธรรมวัตรสวดมนต์เช้าเย็นและมหาสติปัฏฐานสูตรแปลชุดนี้ของวัดป่าพุทธยานันทารามเมืองลาสเวกัส ร, รัฐเนวาดาขอมอบให้แด่ทุกๆ ท, ท่านที่อยากได้ไว้ศึกษาและไว้เป็นคู่มือเจริญสติภาวนาเพื่อเสริมสร้างรสชาติชีวิตให้มีสาระมากขึ้นเชื่อแน่ว่าเมื่อท่านได้สวดมนต์กับหนังสือชุดนี้ท่านจะได้อะไรมากกว่าที่ท่านมีอยู่แล้ว ซึ่งซีดีและหนังสือชุดนี้ประกอบด้วยสาระและบทพิเศษต่างๆรวมสิบภาคอาทิภาคหนึ่งคำธรรมวัดเชา้าภาคสองคำธรรมวัดเย็นภาคสาสวดมนต์พิเศษต่างๆภาค4บทพิจารณาประจาวันภาค5มนต์พิธีภาค 6. พระพิธรรมภาค7พระมหาสติปัะฐานสูตร ภาค 8. บทอนุโมทนาภาค 9. ก้าคำรัตนาต่างๆภาค 10. คำถวายทานและสุดท้ายภาคพนวปกซึ่งประกอบด้วยพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่ประกอบด้วยสาระและแง่คิดคติเตือนใจขอเชิญท่านนำไปศึกษาและสวดตามโอกาสต่างๆที่เห็นสมควร หรือเปิดฟังในบ้านในรถคงเป็นมงคลแก่ท่านไม่น้อยขอเชิญท่านรับฟังได้นะแบบ น, นี้